บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะแก่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายต่อไปการกำหนดตั้งสติดูจิตของตนในแต่ละขณะที่ปรากฏนั้ น, นชั้นของการปฏิบัติแล้วมีความละเบียดกับใหม่และยากต่อการกำหนดให้รู้ทันในแต่ละขณะ ดังนั้นปู่มีพระพเจ้า จ, จึงทรงแสดงขั้นตอนแห่งการประพฤติปฏิบัติเพื่อเป็นการเสริมสร้างอุปการธรรมที่สำคัญคือความเพียรสติและสัมปชัญญะให้สูงมากพอที่จะช่วยให้บุคคลระลึกรู้จิตของตนในขณะนั้นๆว่าเป็นอย่างไรเพื่อจะได้ปฏิบัติให้สอดคล้อง ผสมกลุมกลืนกับสภาพจิตในแต่ละขณะคือต้าหากว่าจิตตกไปในฝ่ายของกุศ ล, ลธรรมจะมีลักษณะอย่างไรก็ตามก็ให้พยายามระคับประคองจิตในส่วนนั้นไว้ให้ดำรงอยู่ให้นานที่สุดและพยายามเพิ่มพูนส่วนแห่งกุศ ล, ลธรรมเหล่านั้นขึ้นไปแต่ในส่วนที่เป็นอกุศลก็รู้ประจักษ์ชัดในขณะนั้ น, น, น แล้วเพียนพยายามละในสตร น, นั้นในกรณีที่จังลาบไม่ได้ก็ทรงสอนให้บรรเทาความรุนแรงของจิตเช่นนั้นออกไปพระเ้ขืนปล่อยไว้แล้วเมื่อได้อารมณ์บวกมาจากภายนอกก็จะก่อให้เกิดความเร่าร้อนมากยิ่งขึง้นจนอยู่นอกวิสัยที่จะควบคุมบงังคับกัญชาได้ จะมีการผักดันให้เกิดความเปลี่ยนแปลงทางกายทางวาจาออกไปอาจจะรุนแรงจนถึงออกเป็นรูปของอกุศลทุจริตมีประการต่างๆอย่างที่บุคคลบางพวกประพฤติกระทำกันอยู่และเมื่อจิตเปลี่ยนแปลงไปในสายของกุศลก็รทรงสอนให้เพิ่มพูนขึ้นโดยลำดับอย่างในกรณีของมหากตตจิตที่ได้กล่าวมาแล้ว อิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่เรียกว่ามหกตจิตจะถามว่าเป็นใหญ่เนื้ออะไรก็ตอบได้ว่าเป็นใหญ่เนื้อบันดากิเลตทั้งหลายเป็นตัวอย่างองค์ธรรมที่ให้จิตถึงความเป็นใหญ่2ชุดทีระกรามาแล้วเรื่องของพรหมวิหารกับเรื่องของอัปมัญญาอันที่จริงองค์ธรรมเป็นอย่างเดียวกันแต่ว่า การขยายความรู้สึกออกไปนั้นมีปริมาณแตกต่างกันปรเมหานเป็นการสร้างความรู้สึกในวงแคบๆจำกัดแต่ปรมัญญานั้นเป็นการสร้างความรู้สึกที่กระจายออกไปจนกลายเป็นสัเปสตาคือสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงโดยจะมีมากเท้าหลายเท้าหรือไม่มีเท้าก็ทำต้องการที่จะเห็นสัตว์เหล่านั้นหรือสิ่งมีชีวิตเหล่านั้น อยู่อย่างไม่มีเวรไม่มีภัยกันไม่เบียดเบียนกันไม่ประทุษร้ายกันให้ประกอบตนอยู่ดีมีสุขตามสมควรแก่ฐานะของตนเมื่อเขาหลุดพ้นจาเมื่อเขาประสบภัยอันตรายก็ขอให้หลุดพ้นจากภัยอันตรายแล้วก็ประสบความเจริญก้าวหน้าก็แสดงมุติตาติดต่อเขาเมื่อเขาประสบความทุกขตไวสร้างสร้างความรู้สึกยังลงสู่กฎของกรรมจะเรียกว่ากรร ม, มัรรคตายั เจิตเหล่านี้ดำรงอยู่ได้นานเท่าไรก็ตามก็จะทำหน้าที่บรรเทาความรุนแรงของพยาบาทจึงตรงกันข้ามกับเมตตาของความเบียดเบียนซึงตรงกันข้ามกับกรุณาของดิษยาซึ่งตรงกันข้ามกับโมจิตาของความดีใจความเสียใจที่หักไปออกเป็นอกติทั้งสีประการอย่างใดอย่างหนึน่งหรืออาจจะหลายอย่างทงตรงกันข้ามกับอุเบกขา จิตประเภทนี้เองเมื่อปฏิบัติดำเนินไปโดยลำดำําดับความเป็นใหญ่เนื้ออนาจของกิเลสก็จะเกิดเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นตาม ส, สัดส่วนแห่งธรรมะที่บุคคลก่อให้เกิดขึ้นก็จะกลายเป็นนาหากติจิตคือจิตที่เข้าถึงความเป็นใหญ่อีกชั้นหนึ่งที่ท่านเรียกว่าเป็นฌานจิตคือจิตของท่านที่ได้บรร ล, โลปปุรูปฌานสประการ องค์กุณของรู ป, ปรชานั้นเมื่อกําหนดพินิจพิจารณาแล้วบุคคลก็จะพบว่าแม้ในชั้นที่ต่ำกว่านั้นคุณธรรมเหล่านั้นบุคคลสามารถสัมผัสได้แต่เป็นการสัมผัสได้ในลักษณะที่อาจกําเริบได้หรือมีความเปลี่ยนแปลงได้เพราะว่าจิตยังอ่อนไหวไปตามอารมณ์ต่างๆลักษณะของจิตที่ ประกอบด้วยองชานั้นทรงแสดงโดยสรุปว่าสงัดจากการมสงัดจากอากุศลธรรมทั้งหลายคือหมายความว่าในขณะนั้นจิตจะไม่เหนียวนึกถึงวัตถุ ก, การมทั้งหลายไม่ว่าจะมีความประณีตพิเศษอย่างไรก็ตามแต่จิตจะสงบอยู่ในองค์ของตัวเองอย่างใดอย่างหนึ่งแม้อกุศลธรรมเหล่าอื่น ที่จิตจะไปเดียวนึกอยู่เดี่ยนาดของความไม่พอใจความริษยาความคับแคขนครวบตรัดความยึดมั่นถือมั่นการควายพระและการปฏิเสธเป็นต้นก็จะไม่มีในขณะนั้นแต่จะประกอบด้วยกุศลวิตุกคือความตึกนึกในทางที่เป็นกุศลโดยมีความสุขปรากฏชัดเกิดขึ้นภายในจิต อาศัยความสงบเป็นตัวสนับสนุนส่งให้เกิดขึน้นลักษณะของความสุขความสงบจึงปรากฏเด่นชัดขึ้นภายในจิตของบุคคลผู้ปฏิบัติในขณะนั้ น, น, นเป็นความสุขความสงบที่ประณีต ก, กว่าวิเศษกว่ายืนนานกว่าที่บุคคลกำลังประสบอยู่ในชีวิตปัจจุบันโด ย, ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือในขณะที่ไม่ปฏิบัติสมาธิ และกุศลวละปุเหล่านี้คือความนี่มนึกความตรึกนึกในเรื่องของกุศลธรรมทรั้งหลายจะยั่งยืนอยู่ภายในจิตใ จ, จของบุคคลตราบเท่าที่ฌานเหล่านั้นหรือจิตนั้นยังไม่เสื่อมไปและจะมีการวิจารณ์ไตร่ซองอยู่ในขอบข่ายของกุศลธรรมเหล่านั้นดังข้อนี้จะเห็นว่าตามปกติแล้วจิตจะอยู่ในกุศลธรรมนานๆไม่ค่อยได้ แม้จะสนทนาปราศัยหรือประชุมกันในเรื่องที่เป็นกิจจลักษณ ะ, ะตา่างๆเพราะการพลานไปของจิตในอารมณ์ต่างๆบุคคลก็พยายามสร้างกฎเกณฑ์กติกาเงื่อนไขขึ้นมาให้บุคคลพูดจา ก, กันในประเด็นที่กำลังประชุมกันอยู่แต่ก็จริงแล้วเพราะความพลานไปของจิตในอารมณ์ทั้งหลายจะคุมอยู่ได้ไม่นานมักจะออกไปนอกเรื่องแกว่าจะดึงกลับเข้ามาได้ก็ต้องสูญเสียเวลาเปน็นอันมาก นี้แสดงเห็นว่าอารมณ์ของปุถุชนนั้นจะมีวิตกวิจารณ์ที่ไม่คงที่กาจจะอยู่ในกุศลก็ได้แลือจะอยู่ในอกุศลก็ได้ในขณะที่วิตกวิจารณ์ในเรื่องที่เป็นกุศลอยู่เผลอๆก็หักออกไปในด้านของอกุศลแต่เวลาหักออกไปนั้นถ้าเป็นการหักของรถก็เรียกว่าตกถนนเลยเพราะอไรเพราะว่าความเสพคุ้นของจิตที่เคยครุ่คราวกับอารมณ์ในลักษณะนั้นมานาน ทำให้มีความกำนัดเพลิดเพลินยินดีอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นซึงบุคคลสามารถที่จะมองพฤติกรรมอันสะท้อนออกของจิตในลักษณะนี้ได้ยามที่สนทนาปราศัยกันในเรื่องที่เป็นกิจลักษณะกล่าวแต่จะไม่อยู่ในเรื่องที่เป็นกิจลักษณะดังนั้นความเรียบร้องของจิตประเภทนี้จึงปรากฏออกมาในเชิงพฤติกรรมที่ให้พบเห็นกันในที่ทั่วไป เช่นการฟังเทศฟังธรรมซึ่งเป็นเรื่องของความสงบเรื่องของความรู้แต่พระจิตมักตกไปในอารมณ์น้าใครจึงปรารถนาให้มีการตลกบุคคลอยู่ในเรื่องเหล่านั้นด้วยนิ่เชียเห็นอะไรเชียเห็นว่าจิตพร่านไปในอารมณ์ที่กำหนัดรักคด้ยินดีเมื่อตัวเองคุมไว้ไม่ได้ก็เปล่งออกมาทางวาจาบางที่บางแห่งก็กลายเป็นกติกากำหนดหมายกันไปนเลยว่า จะต้องมีการแสดงออกมาในลักษณะอย่างนั้นจิต ท, ที่เป็นเช่นนี้จะอยู่ในอารมณ์เหล่านั้นนนๆแต่ต้งนี้ท่านั้นไม่ได้หมายความว่าจะอยู่ตลอดไปเพราะถ้าบุคคลมีสติระลึกรู้ทันต่อวิตกวิจารของตนที่แกวงไปอย่างนั้นเรือที่สายไปอย่างนั้นจนถึงก็ตกครักอยู่ในอารมณ์เช่นนั้นมีความรู้ชัดปรากฏขึ้นพราจิตเป็นเช่นนี้ไม่ควร แกเราซึ่งกําลังประพฤติปฏิบัติด้วยเกิดความสงมบจากเรื่องเหล่านี้อยู่ก็เพียนพยายามดึงจิตกลับมาในที่สุดก็จะดึงกลับมาได้ยระยะหนึ่งแล้วแกวงไปแกวงมากันอยู่โดยในยะนี้แต่สําหรับที่เป็นมหากะตาแล้วจะเป็นการเหนียวนึกเป็นความจึกนึกอยู่ในเรื่องที่ประกอบด้วยกุศลธรรมเมื่อกล่าวโดยสรุปก็มีอยู่สามกลุ่มด้วยกัน จะเหนียวนึกไปในเรื่องที่ก่อให้เกิดความคลายกำหนัดความหยินดีในอารมณ์ทั้งหลายซึ่งใจเคยกำหนดไว้ด้วยอานาจของกิเลสว่าเป็นสิ่งน่าใคราน่าปรารถนาน่าพอใจแต่เพราะความสงบของใจเพิ่มขึ้นปัญญาของบุคคลเพิ่มขึ้นสติของบุคคลเพิ่มขึ้นเมลระแสงสว่างเพิ่มขึ้นจะมองเห็นภาพในที่มืดได้มากขึ้น จากจุดเดียวกันที่จิตเคยกำหนดว่าน่าใคร่น่าปรารถนา น, น่าชอบใจนั่นเองแต่ใจที่มีความสงบมีปัญญาเพิ่มขึ้นดัล่างนั้นก็จะมองในแง่ของความเป็นโทษแง่ของความไม่เที่ยงแง่ของความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงของสิ่งนั้นๆเราจะมองเห็นในแง่ของความปฏิกูลของสิ่งนั้นเพราะแท้ที่จริงแล้วเป็นที่ประชุมแห่งซากศพทั้งหลายมีผมขนเป็นต้น ทั้งหมดทั้งสิ้นในสิ่งเหล่านั้นเป็นของหน้าเบิดหน่ายหน้าระอาต้องเป็นทุกต้องกังวลเดือดร้อนกระโดดประการต่างๆความรู้สึกแต่กก่านั้นจะถูกสำรอกออกไปให้เจือจางลงไปโดยลำดับโดยลำดับในสุดความสึกนึกก็จะออกมาในรูปที่เห็นอานิสงค์ของการที่ใจของตนหลุดพ้นจากพันธนาการแห่งอารมณ์เหล่านั้นมาได้ จันทาอุตสาหะในกุศลธรรมก็จะเกิดมากจิ่งขึ้นในที่สุดจะดึงเข้าหาพวกความเอิบออิ่มใจความสุขและความสงบคือความเดียวนึกแม้ในลักษณะที่เป็นกุศล ก, ก็จะสงบไปความเดียวนึกในโอกาสต่อไปก็คือเรื่องที่จะก่อให้เกิดความมุ่งดีปรารถนาดีต่อกัน มองเห็นชีวิตทั้งหลายเป็นกระบวนการของธรรมชาติที่เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปโดยกฎเกณฑ์ดเดี่ยง่อนไขของธรรมชาติเหล่านั้นแม้เราเองก็เป็นผลผลของธรรมชาติที่เกิดขึ้นมาด้วยกฎเกณฑ์ของธรรมชาติอาศัยกรรมบังเกิดขึ้นอาศัยกรรมตั้งอยู่และในที่สุดก็ต้องแตกกลับไปชีวิตมีความเป็นอย่างนั้นเองความโกรธเกลียดอาฆาตพยาบาทจองร่างจองผรานเพื่อทําลายล่างกันนั้น นอกจากจะเป็นทางให้เกิดอกุศลสร้างความเดือดร้อนให้แก่บุคคลทั้งสองฝ่ายแล้วยังเป็นบาปเป็นอคุศลอีกใจก็จะไม่เหนียวนึกในลักษณะนั้นแต่จะมุ่งให้เกิดความอยู่ดีมีสุขเกื้อกูลแก่กันและกันเป็นการสงบความโกรธความไม่พอใจความพยาบาทด้วยความคุณเครื่องออกไปจากจิตใจความเลวร้อน ที่เคยเกิดขึ้นก็จะสงบลงใจจะดิงเข้าหาความปีติเอิบอิ่มโดยในยะที่กล่าวแล้วเช่นเดียวกันและจะคิดไปในแง่ที่มีเหตุมีผลยุติด้วยความดีทั้งหลายตามที่ทรงแสดงเอาไว้ซึงความคิดในลักษณะนี้ก็จะมีสูตรในการขาจัดความมืดปลอดภายในใจให้เจือจางออกไปต่อจากนั้นความปีติความเอิบอิ่ม ก็จะปรากฏขึ้นภายในใจแต่ข้อนี้พินงเข้าใจว่าผลระดับจิตที่เป็นชาในจิตหรือจิตที่คาถึงความเป็นใหญ่เนื้อหน้ากิเลสโดยนัยนี้นั้นถ้าจะเกิดแกก็เกิดต้องแกเองเมื่อบุคคลได้สร้างเหตุปัจจัยเพื่อการเกิดของจิตในลักษณะนี้สมบูรณ์หรือในจุดที่ก่อให้เกิดขึ้นได้แกก็จะเกิดขึ้น แต่ไม่จะเกิดขึ้นโดยการขวายคว้าหรือความอยากได้ให้ปรากฏอารมณ์เหล่านั้นขึ้นม า, า, า, าตาก็ตราบใดยังมีความอยากให้สงบอยู่อยากให้ความเหนียวนึกที่เป็นไปในคันลองแห่งกุศลอยู่โอกาสเช่นนั้นหรือขณะเช่นนั้นความสงบจะบังเกิดขึ้นไม่ได้ตอนนี้เป็นเพราะอะไรเพราะอาการของความอยากจะมาในรูปอะไรก็าตามตั้งนี้แต่สืบเชื้อสายมาจากโลภะทั้งนั้น ในชันของจิตใจก็เป็นพวกของกลางชันคือความพอใจในสิ่งที่ตัวใคร่ตัวยินดีทั้งหลายหน้นาที่ของคนคจึงอยู่ที่การประพฤติปฏิบัติไปตามหลักการที่ทรงแสดงเอาไว้อย่างไปก็ปฏิบัติไปอย่างนั้นเมื่อเสริมสร้างเหตุปัจจัยให้เกิดความสงบถึงจุดที่จะให้เกิดความสงบแก่ก็เกิดของแก่เองถึงจุดหนึ่งก็จะออกมาเป็นรูปของปีติ ที่เป็นความเอิบอิ่มปรากฏขึ้นภายในใจปรากฏตัวออกมาได้ในลักษณะต่างๆการปรากฏของปีตินั้นจะไม่ค่อยจะเหมือนกันเพราะพื้นฐานทางบา ร, รมีธรรมจริตอัธยาศัยของบุคคลที่สร้างสมบรมมเอาไว้ไม่เหมือนกันแต่ก็ทรงแสดงโดยสรุปเอาไว้ว่าบางครั้งอาจจะเกิดขึ้นในแต่ละขณะ บางครั้งจนถึงกับมีขนลุกขนพองขึ้นทั่วสริยร่างกายบางครั้งก็มีอาการเยือกเย็นที่แผ่ไปทั่วสะพานกายบางครั้งเ อ, อิบอิ่มปีติอย่างรุนแรงจนถึงกระน้ำตาไหลาบางครั้งอาจจะมีอาการลอยขึ้นของกายบางครั้งเป็นเพียงความรู้สึกแต่บางท่านอาจจะลอยได้จริงๆนี่ก็คืออาการของปีติ ที่ปรากฏเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นหมายความว่าถ้าปีติเช่นนี้บางเกิดขึ้นจิตก็จะอยู่เหนืออกุศลคือถึงความเป็นใหญ่กว่าอากุศลแต่ตอนนี้เท่านั้นไม่ได้หมายความว่าได้กรจัดอกุศลออกไปอย่างสิ้นเชิงเป็นได้เพียงเหนือกวา่าสูงกว่าใหญ่กว่าเท่านั้นเองจะถามอากุศลอยู่ที่ไหนอกุศลก็อยู่ข้างล่าง มันเหมือนกับน้ำใสที่มีปริมาณมากน้ำข้างบนก็ใช้ดื่มใช้บริโภคได้แต่ตอนนี้ไม่ได้หมายความว่าความความขุ่นข้นภายในน้ำนั้นจะหมดไปเพียงแต่แกแสดงตัวออกมาไม่ได้เพราะเหตุปจัจจัยเกือ้อกูลแก่แกแต่ก็ต้องอยู่ข้างล่างแต่น้ำบ่อที่ใสน้ำในสระที่ใสนั่นเอง้ า, าก็เหตุปัจจัยเกือ้อกูลต่อความขุ่นข้น ใครไปทําไปกวนให้ตะกรอนข้างล่างแก่ขึ้นมาแกก็ขึ้นขอแก่มาได้ความใสของน้ําก็ต้องหายไปจิตใจของบุคคลที่เป็นใหญ่กว่าอารมณ์ในระดับนี้ก็เป็นเจนนั้นคือในช่วงหนึ่งเมื่อปริมาณของกุศลธรรมแกเกิดขึ้นสูงแกก็อยู่เหนืออกุศลเหล่านั้นแต่ไม่ใช่เป็นการอยู่เหนือตลอดกาลโอกาสใดโอกาสหนึ่งพวกอกุศลธรรมได้เหตุปัจจัยเข้ามาเสริมส่งสนับสนุนมีกําลังมากขึ้น แกก็ทำลายความรู้สึกเหล่านี้ออกไปได้การกําหนดรู้ในลักษณะนี้จึงให้รู้ในแต่ละขณะของอารมณ์ซึ่งอาจจะเป็นไปในขณะนั้นๆหรือว่าดํารงอยู่ได้เป็นเวลา น, น, น, นานนานหมายความว่าจิตที่ประกอบด้วยฌานหรือประกอบด้วยรูปฌานบางครั้งก็เรียกว่าฌา น, นจิตคือจิตที่เป็นฌานหรือจิตในรูปฌานต่อไปก็เกิดเป็นเรื่องของความสุข มีความโปรง่งความเบาบางเกิดขึ้นภายในจิตใจของบุคคลเป็นความสุขที่สัมผัสได้แม้แต่กายเองก็ไม่มีอาการปวดมีการเมื่อยถึงแม้จะมีอาการเหล่านั้นอยู่แต่เนื่องจากว่าจิตไปอยู่กับความสุขกับความสงบจึงไม่ได้รับรู้เรื่องเหล่านั้นความสุขที่บังเกิดขึ้นเช่นนี้ก็จะอยู่เหนือความพุ้งสั้นสัดสายไปของจิต ซึงเป็นปกติของจิตประการหนึ่งที่ทรงแสดงไว้ว่าเที่ยวไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวมีถ้ำคือร่างกายนี้เป็นที่อยู่อาศัยนั่นคือสภาพจิตแล้วจะถามว่าจิตดิ้นไปเพื่ออะไรทําไมจึงดิ้นไปแล้วก็ตอบได้ว่าจิตดิ้นไปสแสวงหาความสุขเป็นการไขว่คว้าวความสุขด้วยประการต่างๆอารมณ์อะไรก็ตามที่มีลักษณะสนองตอบให้เกิดความสุขแก่จิตจิตก็จะสายไปหาเหราดัน ถ้ายังไม่ได้แกก็สายไปเรื่อยๆแต่ถ้าได้แล้วก็จุดซึ่งก็เหมือนอาการของกายที่แสดงออกมาจากการบงการของจิตนั่นเองบุคคลอาจจะไปซื้อของเดินไปในห้างสรรพสินค้าต่างๆเป็นเวลานานตราบเท่าที่ยังไม่รู้สึกพอใจยินดีในสิ่งนั้นแต่รู้สึกพอใจยินดีก็จะหยุดหยุดอยู่กับสิ่งเหล่านั้นห ย, ย, ยุดอยู่กับอารมณ์เหล่านั้นจนกว่ า, าจะวินิจฉัยตัดสินอารมณ์เหล่านั้นเสร็จปะ ก็จะซื้อหรือไม่ควรซื้อการกำหนดอารมณ์ของจิตที่ปรากฏในเชิงนมามธรรมก็มีลักษณะอย่างนั้นคือถ้าหากว่าแกได้รับความสุขแล้วแกก็จะไม่ดิ้นอีกต่อไปใจก็จะอยู่ที่ความสุขประการต่อไปก็คือเรื่องที่เรียกว่าเอกกัคาตาคือจิตเข้าถึงความเป็นอันเดียว ได้แก่อยู่ที่ความซส ง, งบคืออารมณ์ของกรรมฐานที่กําหนดระลึกของแต่ละบุคคลซึ่งก็ไม่เหมือนกันหรือใครจะระลึกอารมณ์อะไรก็ตามในขณะนั้นจิตส ง, งบอยู่กับอารมณ์นั้นอย่างนี้เรียกว่าจิตถึงความเป็นผู้มีอารมณ์เดียวจิตประเภทเหล่านี้ทั้งห้าประเภททัานเรียกว่าองค์ของฌานเป็นการสงบจากคามศึกจากอากุศลและทำทุกรูปแบบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกรณีที่เกิดขึ้นกรุ่มรุมจิตใจประเภทที่เราเรียกว่า น, นิวรณดังนั้นเมื่อวิตกซึ่งเป็นองค์ของฌานจิตบังเกิดขึ้นในขณะนั้นความง่วงนอนเศร้าซึมหน่อยเงาเหนื่อยหน่ายท้อถอยหดปูกคลานกายคลานใจของบุคคลก็จะสงบไปงับไปเมื่อวิจาร์บังเกิดขึ้นความเครือบแคลงสงสัยในอารมณ์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่ง ในเรื่องของพระรัตนตรัยในเรื่องของศีลสมาธิปัญญาลักษณะของศีลสมาธิปัญญาการปฏิบัติตามหลักของศีลสมาธิปัญญาและผลที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติในศีลสมาธิปัญญาก็จะสงบลงับไปแม้ความเครือบแคลงสงสัยที่ไกลขึ้นไปกว่านั้นเป็นเรื่องอดีตอนาคตทั้งอดีตอนาคตและกฎของปัจจัยกาด้านสติปัญญาไม่พอที่จะวินิจฉัย ให้ถูกต้องสมบูรณ์แต่เพราะความเชื่อมั่นในคุณของพ ร, ระพุทธเจ้าไปทำให้จิตใจของบุคคลเหล่านั้นสงบลงไปได้ไม่มีอาการหดถูเครือเคลิ้มง่วงงนุนเหื่อยหน่ายทอ้อไต่เมื่อปีติความเอิบอิ่มบางเกิดขึ้นความอาฆาตพยาบาทต่างๆซึ่งเป็นตะกรนใจที่เก็บไว้ภายในใจก็สงบราะในกรณีนี้ถ้าปีติยังมีอยู่ ความพยายามก็จะไม่บังเกิดขึ้นแต่ถ้าปีติเสื่อมไปก็เป็นอีกเรื่องหนึง่งในกรณีของความสุขเมื่อเกิดขึ้นแล้วก็กจัดปั่งฟุ้งสัง้นออกไปจากใจแต่เดิมพอมาถึงจิตเป็นอันหนึ่งอันเดียวหรือจิตเป็นสมาธิก็ส ง, งบความคิดในลักษณะที่เป็นกาลฉันยไว้เป็นออกไปได้เพราะอาการสายไปของจิตในวัตถุในอารมณ์ในสัตว์ในสิ่งของที่ตนคลายนั้น แสดงเห็นตั้งความไม่สงบไม่จิตสงบแล้วก็ต้องดุในเรื่องดงนั้นนี่ก็คือจิตที่เป็นมากาากัตตาแตวาปรากฏเกิดขึ้นในขณะใ ด, ดก็ทรงสอนให้บุคคลกำหนดรู้และประครับประคองไว้ทั้งหมดเราะเป็นเรื่องของกุศลธรรมทั้งหมดแล้วให้เพียปรปยาเพิ่มพูนให้มากยิ่งขึ้นตามกำลังความสามารถที่จะปฏิบัติได้เนื่องจากวันนี้เป็นวันที่ ยี่สิบแปดกรกฎาคมซึ่งตรงกับวันคลายวันประสูติ์ราชสมวันพระราชสมภพของสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารตามปกติแล้วประชาชนคนไทยทั่วไปเมื่อถึงวันสำคัญในลักษณะนี้ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันพระมหากษัตริย์และสถาบันพระาศาสนาตลอดถึงสถาบันชาติก็จะแสดงความจงรักภักดี ความมุ่งดีปรารถนาดีความกตัญญูกะตะเวทีความเคารพสกรักการะบูชาให้บังเกิดขึ้นในกรณีนั้นๆสมเด็จพระองม์โอรสาธิราชเป็นสยามกุฎราชกุกมารที่มีพระคุณในธรรมเหมาะสมแก่ฐานะของพระองค์และกำลังเพิ่มพูนกุศลในธรรมในด้านต่างๆให้าามากยิ่งขึ้นวันชนเวียนมาถึงเข่า จะเป็นการสมควรที่พุทธบริษัททั้งหลายจะได้ตั้งความปรารถนาเพื่อให้เกิดผลเป็นความเจริญรุ่งเรืองแห่งเจตุพิทักษ์พรแก่พระองค์ท่านเพื่อให้เกิดประโยชน์แก่พระองค์แก่สถาบันพระมากษัตริย์แก่ประเทศชาติในโอกาสบัดนี้และในโอกาส ต, ต่อไปการแสดงออกซึ่งความเคารพนักถือนั้น พระพุทิริพักเจ้าทรงเน้นไปที่การประพฤติปฏิบัติอย่างที่ทราบกันคําว่าวชิราลงกรณ์นั้นเดิมชีจริงๆก็เริ่มคิดมาจากคําว่าวชิระตั้งแต่พระบาทสมเด็จพระจอมกล้าวจะอยู่หัวสมเด็จพระมหาสํมณเจ้าสมเด็จพระสังฆราชเจ้าจเป็นตน้นคําว่าวชิระนั้นหมายถึงเพชรที่มีความแข็งแกร่งความมีคุณค่า จะสามารถที่จะตัดทำลายสิ่งอื่นได้จะอยู่ในที่ใดก็ไม่แปดเปื้อนกับสิ่งที่ตนครุกคลีอยู่ในทามพระพุทธศาสนาจึงสอนให้บุคคลทำจิตของตนที่เรียกว่าวชิรุปมะจิตโตคือให้ทำจิตของตนอุปมาสเสมือนกับเพชรที่มีความแข็งแกร่งในตัวของตัวเองไม่อ่อนไหวไปตามอำนาจของสิ่งต่างๆ แม้จะตกอยู่ในที่ใดก็ไม่แปดเปื้อนกับสิ่งเหล่านั้นการที่บุคคลทําจิตได้ในลักษณะนี้ยามเผชิญหน้ากับอารมณ์ทั้งนี้ที่น่าปรารถนาและไม่น่าปรารถนาก็สามารถทําใจให้เกิดความส ง, งบและอยู่ด้วยอุเบกขาได้คือไม่หวั่นไหวไปกับอารมณ์เหล่านั้นจิตที่เป็นเช่นนี้ก็จะกลายเป็นจิตที่มีค่ามีค่ายิ่งกว่าเพชร ยิ่งกว่าพรอยยิ่งกว่าอัญมณีทั้งหลายเพราะสิ่งเหล่านั้นยังไงยังไงก็เป็นโลกิยธรรมเป็นวัตถุธาตุที่มีค่าจํากัดอยู่ในตัวของตัวเองแต่ใจิตใจของบุคคลที่สามารถพัฒนาเปลี่ยนแปลงให้อยู่ในจุดที่มีคุณค่าแล้วก็จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่บุคคลผู้นั้น ดังนั้นหลักการที่จะประพฤติปฏิบัติตามธรรมะในทางพุทธศาสนาก็ดีที่จะน้อมบุญกุศลนั้นเกิดขึ้นจากการานาการทั้งหลายในการไหว้พระสวดบนตรักษาศีลเจริญภาวนาเป็นต้นถวายแด่สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามากุฏราชกุมารสถาบันพระมากษสัตทุกพระองค์ตลอดถึงศัพ์ภาษทั้งหลายนั้น หาบุคคลสามารถทําจิตให้มีคุณสมบัติเช่นเดียวกับเพชรหรือโดยนัยยะของเพชรดังกล่าวแล้วผลประโยชน์เกือกูลก็จะเกิดขึ้นอย่างไพศาลและคนที่ได้รับผลจากการทําจิตเช่นนั้นก่อนคนอื่นก็คือบุคคลนั้นนั่นเองเมื่อตอนได้รับประโยชน์แล้วก็พร้อมที่จะเผื่อแผ่ประโยชน์ตนนั้นให้เกิดขึ้นแก่ บ, บุคคลอื่นที่ตนต้องการให้เขาได้รับความสุขความเจริญต่อจากนี้ไป เราขอให้ตั้งใจทำความสงบสืบต่อไป